วันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า คือมาสะสมทรัพย์ภายในกันทรัพย์นี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็คือสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายทรัพย์ภายนอกนี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง พอหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกติดตัวไปกับเราได้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นจิตใจที่จะเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่แยกออกจากร่างกายไปสิ่งที่จิตใจจะเอาติดตัวไปได้ ก็คือทรัพย์ภายในนี่เองทรัพย์ภายในนี้จึงเป็นทรัพย์ของเราที่แท้จริงไม่มีใครที่จะสามารถมาแย่งจากเราไปได้ทรัพย์ภายนอกนี้ยังมีโอกาสที่จะถูกคนอื่นเขาแย่งชิงไปได้ถูกขโมยมาขโมยไปได้ ถูกคนที่ไม่ปรารถนาดีมาช่อกงหลอกลวงเอาไปได้แต่พอเป็นทรัพย์ภายในแล้วไม่มีใครจะสามารถเอาจากเราไปได้ <Yeah. S 1> และเป็นทรัพย์ที่เราจะใช้ต่อไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไป <Yeah. S 1> เวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศ yeah. เราก็ต้องเปลี่ยนเงินตาที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยเราใช้เงินบาทในประเทศไทยแต่พอเราไปต่างประเทศเงินบาทเราก็จะไม่เอาไปกันพราเอาไปก็ใช้ยากหรือใช้ไม่ได้ต้องไปแลกตามสถานที่แลกเงินต่างๆแต่ถ้าเราแลกขอเงินของประเทศที่เราจะไปอยู่ไป ติดตัวไปพอเราไปถึงประเทศนั้นเราก็จะสามารถใช้เงินทองที่เราแลกไปได้ทันทีทรัพย <Yeah. S 1> ์ภายในก็เป็นอย่างนั้นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปจิตใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ช่วงนี้มาเชื่อมต่อกับร่างกาย เลยต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกมาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเรา mm hmm. หน้าที่ของทรัพย์ภายนอกนี้ mm hmm. ก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเท mm hmm. ่านั้นเอง mm hmm. มีเงินมีทองเพื่อที่จะได้ซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหาร mm hmm. ซื้อเครื่องนุ่งห่ม ซื้อที่อยู่อาศัยและซื้ อ, อยารักษาโรคเวลาที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องมียามารักษามีโรงพยาบาลมีหมอมีพยาบาลซึ่งก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนี่คือหน้าที่ของทรัพย์ภายนอกมีเพียงเท่านี้ มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วก็มีพอเพียงก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายก่ายกองต่อให้มีเงินทองมากกว่าความต้องการของร่างกายกี่ร้อยเท่าก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายนี้สุขสบายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าไปาได้เลย ร่างกายก็สุขสบายเท่าเดิมตราบใดที่ร่างกายไม่อดอยากขาดแคลนได้สิ่งที่ร่างกายต้องการพอเพียงจึงไม่ควรเสียเวลาที่จะไปหาทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปเพราะว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการหาทรัพย์ภายนอกนี้ไม่ได้เพิ่มพูนไปตามกับตามปริมาณของทรัพย์ภายนอกที่หาได้ เมื่อมันถึงขีดพอดีคือพอเพียงต่อร่างกายแล้ว <m> ให้มีมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <m> อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ทร่งตัดสอนอยู่เสมอให้เรามีเศรษฐกิจพอเพียง <m> ให้เรามีทรัพย์พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค ที่จะดูแลร่างกายของเราได้ก็พอแล้วไม่ต้องกังวลว่าเป็นปัจจัยสีที่ไม่หลรู้ราที่ไม่มีราคาแพงแพงไม่สำคัญประโยชน์ที่จะได้รับจากปัจจัยสีนี้เท่ากันทำหน้าที่เหมือนกันเช่นอาหารก็ให้ความอิ่มกับร่างกายป้องกันความหิว จะเป็นอาหารมือละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยหรือมือละห้าพันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันทำให้ร่างกายอิ่มหะกำจัดความหิวได้เท่ากันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองมากมายกายกองไปให้เสียเวลาอันมีค่าของชีวิตของเราที่จะได้เอาเวลานี้อันมีค่านี้มาหาทรัพย์ภายในกันจะดีกว่า ทรัพย์ภายในนี้ยิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกไม่มีมากเกินความต้องการก็ไ ม, ม่ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขมากขึ้นแต่อย่างไรต่อร่างกายดัยงนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมากถ้าเรามีความพอเพียงกับการดูแลร่างกายแล้วก็หันเอาเวลามา สร้างทรัพย์ภายในกันดีกว่าสร้างทรัพย์ภายในเราสร้างทรัพย์ภายในได้มากเท่าไหร่ mm hmm. เราก็จะได้สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั mm ้น hmm. แล้วเราก็จะลดความทุกข์ภายในใจให้น้อยลงไปอีกด้วย mm hmm. เมื่อมีความสุขมากความทุกข์ก็จะน้อยลงไป mm hmm. ถ้ามีความสุขน้อยความทุกข์ก็จะมีมาก mm hmm. ดังนั้น ถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกที่พอเพียงต่อการดูแลร่างกายของเราให้อยู่อย่างสุขสบายแล้ว<ม>เราก็ควรที่จะเอาเวลาเอาทรัพย์ภายนอกที่เราเหลือเกินที่เราจะใช้ได้นี้เอามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในดีกว่า<ม>แล้วเราจะได้มีทรัพย์ติดตัวไปนะ เวลาเดินทางไปนอกประเทศน อ, นอกโลกนี้เราจะได้ไปแบบเศรษฐีอย่าไปแบบขอทานถ้าไม่มีทรัพย์ภายในไปก็จะไปแบบขอทานจะต้องไปขอทรัพย์จากผู้แต่ถ้ามีทรัพย์ติดตัวไปก็ไปแบบเศรษฐีไปพักอยู่ตามโรงแรมหรูหราได้กินอาหารดีๆได้ ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ก็มีทรัพย์ติดตัวไปนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในอย่าหลงโบแต่หาทรัพย์ภายนอกคิดว่ามีตัวเลขสูงๆแล้วจะมีความสุขมากมีได้ล้านก็ดีใจได้สิบล้านก็ยิ่งดีใจน ได้ร้อยล้านก็ดีใจใหญ่แต่ก็ดีใจเดียวเดียวเท่านั้นพอสักพักหนึ่งร้อยล้านก็ไม่มีความหมายแล้วถ้าอยากจะมีความสุขมีความดีใจก็ต้องมีเพิ่มขึ้นจากร้อยล้านไปเป็นพันล้านมันก็มีเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พองั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาทรัพย์ภายนอกเอาเวลามาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่า ควาทรัพย์ภายในนี้จะเป็นของเราและจะให้ความสุงกับเราเพิ่มมากขึ้นไปตามจำนวนทรัพย์ภายในที่เราจะหาได้ทรัพย์ภายในนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นหลายระดับด้วยกัน <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดก็เรียกว่ามนุษยทรัพย์คือความเป็นมนุษย์ การได้เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นคนปานกลางคือไม่รวยแต่ก็ไม่จนพออยู่พอกินไปได้ไม่ถึงกับแบนแค้นยากอดอยากขาดแค้นถ้าต่ำกว่ามนุษย์นี่จะถือว่ายากจนต่ำกว่ามนุษย์ก็คือการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเป็นเปรตไปอยู่ในนรก อันนี้ไม่ได้เป็นที่เราเพิ่งจะไปกันไม่ควรจะไปกันและเราสามารถห้ามไม่ให้ไปกันได้ถ้าเรารู้จากวิธีวิธีที่จะทำให้เรารักษามนุษยชาติของเราไว้ได้เช่นตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันแต่ในใจของเรานี่ยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อยู่หรือเปล่า เพราะการจะเป็นมนุษย์ได้นี้จำเป็นที่จะต้องไม่ทำบาป<ม>ทั้งปวง<ม>คือต้องไม่ฆ่าสัตว์มไม่ลักทรัพย์มไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและไม่เสพอบายามุขต่างๆเพราะการกระทําเหล่านี้จะเป็นการทําลายมนุษยัพย์ของเรานั่นเองทําลายการเป็นมนุษย์ของเราให้กลายเป็น สัตว์เดรัจฉานบ้างให้เป็นเปรตบ้างให้เป็นอสุรกายบ้างให้ไปนรกบ้างนี่คือสถานที่หรือสถานภาพที่เราไม่ควรไปกันเพราะเป็นเหมือนกับไปไปอยู่ในคุกในตารางไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบคนไม่มีบ้านมีช่องถ้าเราไป ทำบาปกันถ้าเราไปเสพอบายามุขกันฉะนั้นทรัพย์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เราควรจะรักษาไว้ให้ได้นั่นก็คือมนุษยทรัพย์ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพอบายามุขต่างๆ <c oughs> โอกาสที่เราจะ ตกต่ำกว่าการเป็นมนุษย์นี้ก็จะแทบจะไม่มีเลยนี่คือทรัพย์ที่ตอนนี้เรามีอยู่และเป็นทรัพย์ที่สำคัญที่เราควรจะเก็บรักษาไว้ให้เป็นของเราไปนานๆถ้าเราตายไปเกิดเกิดอุบัติเหตุตายไปทันดีทันใดถ้าเรามีมนุษยาทรัพย์อยู่กับเราเนี่ย ตายไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสูรกายบ้างหรือไปตกนรกกันเหตุ<ม> <Hey. S 1> ที่พายเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือทาบาปด้วยความหลงทาบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่มีโทษตามมามเช่นคนบางคนเขาคิดว่าการทำอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทาเพราะเป็นการดํารงชีพของตนการดํารงชีพแบบนี้ก็เป็นดํารงชีพแบบสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานเขาก็ดํารงชีพด้วยการฆ่ากันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแต่มนุษย์เรานี้มีสติปัญญาที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ากันเช่นสามารถปลูกผักปลูกข้าวกินกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็เราให้สัตว์ที่เราเลี้ยงมันตายไปเสียก่อนตายโดยธรรมชาติของมันเราก็เอามากินได้ถ้าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้แล้วถึงเวลาเขาตายไปเราเอาเนื้อเขามากินันั้นไม่ถือว่าบาป แต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเพื่อเอามาเอาเนื้อเข้ามากินเนี่ยอันนี้เรียกว่าบาปทําให้เรากลายเป็นเดรัจฉานนีทําบาปด้วยความหลงก็จะทําให้เราไปกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปไม่ได้เป็นมนุษย์ตายไปก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีต้องไปใช้กรรมที่ได้ทําไว้ก่อนไปฆ่าวัวกี่ตัวก็ต้องไปเกิดเป็นวัวกี่ครั้งให้เขาฆ่า ฆ่าไก่กีครั้งก็กลับไปเกิดให้เป็นไก่ให้เขาฆ่าเท่านั้นครั้งง <c oughs> นั้นประโยชน์ที่ได้จากการกินจากการฆ่าเพื่อเอาเนื้อสัตว์มากินมันประโยชน์แป๊บเดียวแค่ปลายลิ้น <c oughs> แต่โทษที่จะต้องชดใช้นี่มันแสนสาหัสกว่า <c oughs> ให้เรามองเห็นโทษที่จะตามมาเราจะได้ไม่กล้าทำบาป ก, กัน <c oughs> กินแบบไม่ต้องไปทําให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้มนุษย์เราไม่มีเนื้อสัตว์ก็กินผักกินหญ้ากินข้าวกินอะไรไปกินผลไม้มีอะไรให้กินเยอะแยะไป <c oughs> น, นี่การป้องกันมนุษยทรัพย์ของเราไว้คืออย่าไปทําบาปถ้าไม่อยากจะต้องไปใช้กรรมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็อย่าไปฆ่าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แล้วก็ถ้าไม่อยากจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตก็อย่าไปทำบาปด้วยความโลภ<ม>อยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวยเป็นต้น<ม><ม>หากินโดยวิธีไม่คาไม่ทำบาปมันรวยช้ารวยน้อย<ม>อยากจะรวยเร็วรวยมากก็เยต้องไปทำบาป<ม>ช่อโกงลักทรัพย์โกหกหกลอกลวงหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้ก็จะทำให้ตายไปนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่หโูโหยไม่มีความสุขีแล้วถ้าไม่อยากจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็อย่าทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งไหนก็อย่าไปทำร้ายเขากลัวงูก็อย่าไปฆ่า ง, งูกลัวมดมแมลงก็อยา่าไปฆ่ามดมาแมลงต่างคนต่างอยู่ได้แยกกันอยู่ได้รูก็ปล่อยเขาอยู่ตามที่ของเขา เวลาเขาหลงออกมาเจอกันก็อย่าไปฆ่าเขาไ<ม>ล่เขาไปหรือจับแล้วก็เอาไปปล่อยในที่เหมาะสมได้มไม่ต้องฆ่ากัน<ม>เราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัว<ม>ส่วนการไปไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในโนรกนี้<ม>ก็คือดวงวิญญาณที่มีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ดวงวิญญาณที่จองเวรจองกรรมคนที่ทำบาปด้วยการความอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตาใครทำร้ายเราเราต้องตอบโตเเ้เขาทำเขาเขาทาเราเราต้องทำให้ร้ายกว่าที่เขาทำเราอันนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท ไม่มีความสุขสาเหตุก็คือการไม่สามารถรักษาความเป็นมนุษย์รักษาความมนุษยทรัพย์ของเราไว้ได้ดังนั้นทรัพย์ชิ้นแรกที่เราควรที่จะมีกันหรือรักษากันไว้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันทุกคนเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการไม่ทำบาลด้วยการไม่เสพอบายามุขต่างๆ อบายามุขนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายถ้าเราไม่ได้เสบอบายามุขโอกาสที่จะไปทําบาปนี้มันน้อยเช่นถ้าเราไม่ดื่มสุรายาเม า, านี้เราจะมีสติควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราได้เวลาจะพูดอะไรไม่ดีจะทําอะไรไม่ดีเราก็ยับยั้งได้แต่ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเราจะขาดสติขาดเครื่องยับยัง้ง จิตใจเวลาคิดอะไรไม่ดีก็จะพูดไม่ดีออกมาจะทำไม่ดีทันทีเพราะไม่มีสติคอยยับยั้งไว้นั่นเองเพอตอนนั้นมีอาการมึนเมาสังเกตดูคนที่เวลาไม่ได้ดื่มชลากับเวลาที่ดื่มชลานี้เป็นเหมือนคนละคนเวลาไม่ได้ดื่มชลานี้เรียบร้อยน่ารักแต่พอดื่มชลาเข้าไปแล้ว กลายเป็นคนเละเทะเป็นคนไม่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยพูดจาหยาบคายนี่แหละคือโทษของอบายามุขจะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายดัยงนั้นจึงต้องห้ามการเสพอบายามุกด้วยอบายามุกก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งการ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 เที่ยวเตยเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรยเขาชอบความเกียดค้านเขาก็จะดึงเราให้เราเกียดค้านเมื่อเราไปเสพบาบายามุกนี้เราจะมีแต่เสียเสียเงินทองไม่มีรายได้จากการเสพบาบายามุก<ม>แล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะทําให้เราต้องไปทําบาปเพื่อจะได้หาเงินทองมาใช้ต่อไป ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะไม่ทำบาปเราก็ต้องไม่เสพอบายามุขถ้าเราอยากจะรักษาบรรลุษยาทรัพย์ของเราไว้เราก็ต้องไม่ทำบาปเรารับรองได้ว่าตายไปนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่รู้กี่ร้ยกี่ร้อยครั้งกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่หอ้โหเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัว หรือเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท <Yes. S 1> เราก็จะรักษามนุษย์ทรัพย์ mm hmm. ซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ mm hmm. เป็นทรัพย์ขั้นที่หนึ่ง mm hmm. ขั้ น, ข, นขั้นต่าํา mm hmm. เป็นทรัพย์ที่พอมีพอกินคือไม่ไม่ทุกข์มากจนเกินไปแต่ก็ไม่สุขมากจนเกินไปตอนกลางถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นจําเป็นจะต้องยกระดับ จิตของเราให้ขึ้นสู่ทรัพย์ขั้นที่สองคือเทวทรัพย์คือการไปได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดานี่เองไปอยู่ในสวรรค์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตที่เป็นเทวมีเทวทรัพย์ก็จะไปเป็นเทพกันไปอยู่เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขวิธีที่จะทำให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจ ของเรามีเทวาทรัพย์ก็คือการทําบุญทําทานนี่เรามีเงินทรัพย์สมบัติเงินทองภายนอก mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วว่าการที่จะไปหาความสุขเพิ่มจากการซื้อปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆนี้ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นมากแต่อย่างใดก็ mm hmm. เอาเงินที่จะไปซื้อของลุคหรูหราของฟุ่มเฟือยนี้ เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาเอาไปเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นเทวรั์ผู้ที่ทำบุญนี้ทำทานนี้จิตใจจะเป็นเทพขึ้นมาแต่ต้องเป็นมนุษย์ด้วยก่อนคือไม่ทำบาปด้วยถ้าทาบุญแล้วก็ทำบาปด้วยนี้บุญกับบาปมันก็จะมาแย่งกันแย่งกันเป็นถ้าบาปยังมีกำลังมากกว่าบุญก็ยังไปเป็นเดรฉาได้อยู่เป็นเปลงได้อยู่ ถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะไปเป็นเทพได้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเลยเพราะเราทำบุญปัป๊บเราก็แปลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพได้ทันทีมีเทวทั์เป็นสมบัติของเราต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป <c oughs> เราก็จะได้ไปเป็นเทพกันไปอยู่แบบเศรษฐีเทพนี้ถือว่าเป็นเป็นระดับที่สูงกว่ามนุษย์ มีความสุขมากกว่ามนุษย์มนุษย์เราก็แบ่งไว้หลายระดับแบบคนปานกลางฐานะปานกลางไม่รวยไม่จนก็เรียกว่าคนปานกลางคนที่รวยเราก็เรียกว่าเศรษฐีพวกที่มีเทวทรัพย์นี่ก็จะถือว่าเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณ<ม>เวลาร่างกายนี้ตายไปจะไปสวยทรัพย์ของ ของเททรั์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่เสทรั์ดันหมดไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วสูงกว่านั้นก็ยังมีอีกระดับหนึ่งถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าระดับ เ, เทวซั์ก็ต้องขึ้นไปอีกระดับเรียกว่าไปสู่พรหมรับ พ, พรหมรั์นี้ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เป็น ถ้เทวรัพบถ้าเท ว, ท ร, เทเทวทรัพย์นี้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพวกพรหมรับนี่ก็เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านมีความสุขมากกว่าการที่จะได้พรหมรัพย์นี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีการถือศีลเพิ่มขึ้นจากศีลหน้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ตัดกิจกรรมทางกามารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ือเลิกหาความสุขแบบมนุษย์แบบเทวดาเพื่อที่จะได้มาหาความสุขแบบพรหมความสุขของพรหมก็คือการเข้าสู่สมาธิขั้นต่างๆเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆนี่เองมีอยู่สองระดับระดับรูปฌานกับอรูปฌานพรหมศัพ์นี้แบ่งไว้สองระดับระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมความสุขก็มากน้อยตามลำดับ ความสุขของรูปประพรมก็จะน้อยกว่าความสุขของอรูปประพรมการจะได้ความสุขของรูปประพรมก็ต้องเข้าเข้าสู่ชานหนึ่งสองสามสี่ได้เข้าสู่รูปปะชะหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นด้วยกันก็จะได้สมบัติเป็นพรมสพรมาสมบัติจะได้ความสุขมากกว่าความสุขของเทพ เหมือนกับเศรษฐีพันล้านนี้จะมีความสุขมากกว่าเศรษฐีร้อยล้านเป็นต้นแล้วถ้าอยากจะได้สูงกว่าพรมพย์คือรูปรูปพย์รูปรูปประพมก็ต้องไปสู่อรูปประรมอรูปประพรมก็ต้องเข้าสู่อรูปประชานหลังจากได้รูปประชานสี่แล้วก็ต้องเข้าสู่อรูปประชานอีกสี่ชั้นด้วยกันก็จะได้ความสุขที่สูงสุด คือความสุขที่จิตใจสามารถที่จะสรรหาได้คือความสุขระดับอรูปประพรมคือการเข้าสมาธิเพื่อให้เข้าสู่ระดับอรูปประชานชั้นต่างๆอรูปประชานก็มีอยู่4ี่ชั้น 1, ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสามสี่หรือเราเรียกว่าชาน5าชาน6ชานเจชานแปดเรียกเป็นอรูปประชาญ จ2 3, 4สามสี่ก็เป็นรูปประชาญเนี่ย <Yeah. S 1> นี่คือทรัพย์ที่เราจะสามารถสรรหาให้กับเราได้ <Yeah. S 1> ทรัพย์เหล่านี้ที่พูดถึงนี้เป็นทรัพย์ระดับโลกิยาทรัพย์คือทรัพย์ภายในนี้มีสองระดับด้วยกันระดับโลกิยทรัพย์แล้วก็ระดับโลกุตรทรัพย์โลกิยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่ ที่หมดได้ใช้ไปก็หมดแต่มีอีกระดับหนึ่งนี้เป็นโลกุตระทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีแล้วจะไม่มีหมดจะไม่มีน้อยลงไปแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติจนกระทั่งได้สมบัติเต็มร้อยในหัวใจแล้วก็จะไม่มีวันหมด โลกุตระทรัพย์นี้ก็คืออริยทรัพย์นี่เองอริยทรัพย์ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาราหารนันต์นี่เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เมื่อได้มาแล้วจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดต่างจากโลกยทรัพย์เช่นพรมทรัพย์ได้แล้วเดี๋ยวก็ เสื่อมหมดไปเช่นสมมติว่าถ้าผู้ที่ได้พรหมทรัพย์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม mm hmm. แล้วก็เสพความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมไปจนฌานเสื่อมหมดไป mm hmm. จนกระทั่งรูปฌานเสื่อมอรูปฌปานเสื่อมหมดจิตก็จะเลื่อนลงมาสู่ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานเลยก็จะเลื่อนกลับมาเป็นเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะ mm hmm. เพื่อที่จะมาเติมทรัพย์ใหม่กลับมาเกิดก็จะกลับมาปฏิบัตินั่งสมาธิใหม่สังเกตดูคนบางคนเนี่ยเวลามาเกิดเขาจะจะไม่สนใจกับเหมือนคนทั่วไปหรือไม่สนใจกับการหาความสุขจากการมีครอบครัวจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เขากลับชอบไปอยู่วัดไปบวชเป็นชีบ้างเป็นพระบ้างนั่นเพราะเขาเป็นพวกที่เคยเสพ ความสุขของรูปประชานเอรูปประชาญมาพอเขากลับมาเกิดนี่เป็นมนุษย์เขาก็จะมาเติมรูปประชานเอรูปประชาญเพียงอย่างเดียวเขาไม่สนใจกับความสุขจากรูปเสียงกลิน่นนสดคือเป็นความสุขของเทพกับของมนุษย์เขาจะอยู่ต่างจากพวกคนทั่วไปคนทั่วไปส่วนใหญ่จะหาความสุขจากการเสด็กลามจากรูปเสียงกลิน่นนสดผลทพะ มีครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันแต่คนพวกที่ได้พรหมทรัพย์นี่เวลาที่เขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเติมทรัพย์พรหมทรัพย์ใหม่เขาก็จะมุ่งไปที่การเป็นนักบวชกันไปถือศีลแปดไปเป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นชีบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานที่สถานเหตุการณ์แต่เขาจะไม่อยู่แบบคนทั่วไปอยู่กัน เราชอบอยู่แบบสงบปริกวิเวกหาความสุขจากการทำใจให้สงบส่วนพวกที่ลงมาจากพวกที่ได้เทวซับและหมดเทวซับ์นี้ยพอกลับมาเกิดก็จะชอบทำบุญกันชอบรักษาศีลห้าไ ม, ไม่ไม่ทำบาปแล้วก็ชอบทำบุญเป็นพวกแสวงบุญกันมีบุญที่ไหนนี้ขาดไม่ได้กระถินที่ไหน้าป่าที่ไหน สร้างโบสสร้างเจดีย์ที่ไหนไปหมดไปทุกงานไม่ยอมขาดพอกลับมาเพื่อมาเติมเติมเทวทรัพนั่นเองเดี๋ยวพอตายไปย entonces, ก็จะได้กลับไปเป็นเทพต่อไปเรากิยทรัพมันมีมันมีปัญหาก็คือต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลามาเติมก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกาย ล้วต้องมีร่างกายถึงจะมาเติมทรัพย์เหล่านี้ได้ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงดูร่างกายปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคนบางคนเมื่อมาเจอกับสภาพเหล่านี้ก็อาจจะ เห็นโทษของการมาเกิดเช่นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายนี้ท่านก็จะเห็นโทษว่ากลับมาเกิดทีไรก็จะต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งไปไม่ว่าจะมาบวชก็ตามหรือม า, มาตทมบุญมาตทมบุญตามเทวทัพย์หรือเติมอะไรก็ตามก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของการแก่เจ็บตายของการ ดิ้นนต่อสู้กับภัยอันตราย ต, าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะเบื่อไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ได้ก็ต้องไปอีกระดับหนึ่งคือไปสู่ระดับของอริยทรัพย์ไปสู่โลกุตตรทรัพย์โลกุตระก็คือเหนือโลกเหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตพบภพ ก็คือมีการมาพบรูปพบกับอารูปพบการมาพบก็ที่อยู่ของมนุษย์กับเทวดารูปพบก็ที่อยู่ของพรมรูปประพมอารูปพบก็ที่อยู่ของอารูปประพรมของผู้ที่ได้อารูปประชานรูปประพบก็ของผู้ที่ได้รูปประชานพบเหล่านี้เป็นพบที่จเจริญแล้วเสื่อม ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆต้องยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีก็ตามแต่ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายที่จะต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายอยู่เรื่อยๆสาหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมุ่งไปสู่โลกุตละท ร, รัพย์ เติมลุงไปสู่พระอริยบุคคลการไปเป็นอริยบุคคลแต่การจะไปเป็นพระอริยบุคคลได้นี้ต้องมีผู้ที่รู้ทางรู้วิธีซึ่งนานๆจะมีผู้ที่รู้วิธีนี้มาปรากฏในโลกนี้สักครั้งผู้นั้นก็คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เอถ้าไม่มีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาค้นวิธีที่จะ เข้าสู่ระดับโลกุตระโลกุตระซับนี้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงโลกุตระซั์นี้ได้จะเข้าถึงได้ก็แค่โลกิยารับหรือเข้าสู่รูปพรหมซัพย์เทวทรัพย์มนุษยรัพย์แต่จะไม่สามารถเข้าสู่อริยรัพย์ได้โลกุตระซั์ได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุแล้วมาประกาศ เผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพนับถือกันเราถือว่าพวกเราโชคดีมากมีราบมีบุญมากที่ได้มีโอกาสมาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้า ที่จะมาสอนมาบอกวิธีสร้างโลกุตระทรัพย์ให้แก่พวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธมพระสงค์นี้เราจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่โลกุตรรทรัพย์ได้เราก็จะเข้าได้แค่ระดับค <c oughs> มทรัพย์ทนั้นเองเหมือนกับในยุคที่พระพุทธเจ้ากาลังบำเพ็ญแต่ยังไม่ได้ตัดสะลุนี่บรรดานปฏิบัต ทั้งหลายนี้เขาก็ได้แค่ระดับโทมสัสทักันถ้าเขาตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสะลเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องโลกุตระทรัพย์เช่นพระอาจารย์สองรูปที่พระพุทธเจ้าได้ไปศึกษาอยู่ด้วยท่านทั้งสองรูปนี้ท่านก็ได้รูปประชานกับรูปประชางพอพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีเข้าสู่โลกุตระทรัพย์ ก็คิดถึงอาจารย์สองลูปนี้กันทีอยากจะให้อาจารย์ของท่านนี้ได้โลกุตระสับอย่างพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ทราบว่าท่านเพิ่งตายไปคนนึงตายไปเมื่อเจ็ดวันก่อนอีกคนตายไปเมื่อสิบห้าวันก่อนก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถ้าอยู่ได้สักสามวันห้าวันแล้วได้ยินได้ฟังวิธีเข้าสู่โลกุตระสาบนี้ ท่านเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงโลกุตระทราบได้อย่างง่ายได้มเมื่อไม่สามารถที่จะช่วยคนที่ตายไปแล้วได้เพราะว่าไม่สามารถติดต่อกันได้ถึงแม้พุทธเจ้าจะติดกับติดต่อกับดวงวิญญาณได้แต่ก็ติดต่อได้ระดับเทพเท่านั้นระดับทรมนี้เขาเป็นพวกปิดมือถื อ, อก็ไม่เปิดมือถือ ส่งโทรมาโทเข้าไปเขาก็บอกว่าไม่มีผู้รับสายต้องอยู่ในระดับเทพโทกเทพก็ยังเปิดใบเครื่องอยู่เช่นพุทธมารดาเนี่ยตายไปจะอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาได้แล้วสามารถสอนพุทธมารดาให้เข้าถึงโลกุตระชรติได้ ได้เป็นพระได้อริยทรัพย์ขั้นแรกคือ ข, ขั้นโสดาบันใครก็ตามพอได้อริยทรัพย์ขั้นแรกแล้วนี้สามารถไต่เต้าขึ้นไปเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาสอนต่อพ็ไดเพราะรู้ทางแล้วรู้วิธีแล้วเพียงแต่ว่ายังต้องปฏิบัติต่อไปยังต้องกําจัดกิเลสปัญหาที่ยังมีลงเล่น อ, อยู่ทางในใจให้หมดสิ้นไปอันนี้คือต้องมีผู้ที่รู้ รู้โลกุตระทรัพย์รู้วิธีเข้าถึงโลกุตระทรัพย์ถึงจะสามารถเข้าถึงจอบอันประเสริฐได้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี่ก็ก็ถือว่าไม่มีโอกาสยกเว้นถ้าเป็นคนจรจาดอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธทัตถะพันธ์ที่จะสามารถค้นหาโลกุตระทรัพย์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งนานๆจะมีคนฉลาดระดับนี้สักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในโลกนี้คนระดับนี้เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่มีความสามารถที่จะค้นหาโลกุตรตรสัพได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วต้องรอให้มีคนบอกคนสอนแม้แต่มีคนบอกคนสอน ก, ก็ยังไม่รู้กันเลยคิดดูกันแล้วกันแล้วจะ เราจะไปรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรนะงั้นตะอนนี้เราได้มาเจอของดีของวิเศษนะแล้วแเราเราได้เข้าถึงโลกุตละทรัพยนะ์แล้วมีรู้รู้ทางแนละ้วอยู่ที่ว่าเราจะไปทางนี้หรือไม่ทางนั้นเอง ถ้าต้องการไปทางนี้เราก็ต้องไปศึกษาธรรมจากพระพุทธตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายหรือถ้าหาไม่ได้ก็เอาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเอามาเป็นเหมือนเป็นแผนที่นำทางเราไปสู่ ผมทราบอันยิ่งใหญ่นี้คือโลกุตระทรา์ได้วิธีที่จะเข้าถึงโลกุตระทราบนี้ต้องได้พรห ม, มทรา์ก่อนคือต้องสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องระดับรูปฌานได้ฌานสี่ไม่จําเป็นจะต้องเข้าสู่อรูปฌานและไม่จําเป็นจะต้องเข้าสู่สมาธิระดับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษ เป็นสมาธิที่ให้มีมีอภิน ญ, ญามีพลังจิตที่จะสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้<ม>เช่นพระพุทธเจ้าเวลาแสดงทำให้แต่เทวดาแก่ผู้กายทิพย์นี้<ม>ก็ทรงใช้สมาธิแบบนี้ปูประจารสมาธิ<ม>หรือจะอ่านวาราจิตของผู้อื่นก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้ ผู้ที่มีอยู่ปจัจารสมาธินี้สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้กําลังนั่งคิดถึงใครอยู่นี่เขารู้แล้วเดี๋ยวส่งไปดูหน่อยเดี๋ยว <ül> เหมือนกับที่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านไปภาวนาอยู่ที่เขาถ้าสาริกาม <ül> แล้วท่านไปอยู่บนเขาแล้วที่ตีนเขามีหลวงตาอยู่รูปหนึ่ง <ül> ใบภาวนาปิดวิเวกด้วยแต่หลวงตานี่ยังห่วงครอบครัวยยังมีภรรยามีลูก ก็คิดห่วงทางครอบครัวอยู่เวลาจะภาวนาก็มักจะออดไปคิดไม่ได้หลวงปู่มั่นเวลาส่งจิตมาดูจิตของหลวงตาลุงนี้ก็เห็นวนะนั่งคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกพอตอนเช้าท่านไปทักกันหน่อย่าไปห่วงเขาทําไมเราเป็นนัก บ, บวชแล้ว<ม>เขาก็เป็นของเขาพอท่านพูดท่านนี้หลวงตาก็โจนหนีเลยไม่อยู่แล้วอยู่แล้วคนสามารถรู้อ่านจิตใจของของท่านได้ อนี่คือพลังจิตที่ได้จากอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่มีประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงโลกุตละทัพได้ฉะนั้นถ้าเรามีถ้าเราปฏิบัติสมาธิแล้วเราได้อุปจารสมาธิอย่าเพิ่งไปเอามาใช้มันเพราะว่ามันจะมาขวางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงโลกุตละทับ อย่าทำให้เรานั่งสมาธิทีไรก็อยากจะไปแอบดูชาวบ้านเขาคิดอะไรกันหรือถ้ามีตาทิพย์ก็ดูว่างวดหรือเยอะหวยจะออกเลขอะไรอันนี้อย่าไปทางนี้ไปแล้วจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปกิเลสจะหลอกเอามาใช้หลอกให้หาเงินหาทองได้แต่จะไม่ได้โลกรุตละทรัพย์ฉนั้นถ้าใครมีวาสนาทางอุปจารสมาธิ เช่นยกตัวอย่างคุณแม่ฉีแก้วเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นตอนที่เธอปฏิบัติครั้งแรกนี้เธอก็ได้อุปจารสมาธิสามารถที่จะติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้สนทนาการเหมือนคุยกัน น, น, นั่นคุยกันหน้าต่อหน้าสองต่อสองน่แต่มันทำให้เสียเวลา เขาจะไม่ไม่ไปทำงานที่จะต้องทำคือการไปเจริญปัญญาการไปเจริญวิปัสสนาเพืนะ่อให้ได้โ ล, โลกุตระทรัพย์มาพอหลังจากที่หลวงปู่ั่านตายไปก็มาเป็นลูกศิษย์หลงตามมหมาบัวหลงตาหมาบัวก็รู้ว่าเ่แม่ชียังติดอุปจารสมาธิอยู่ก็คอยเตือนคอยห้ามว่าอย่าไปเล่นกัมันะนะนะ ให้เอาจิตให้สงบเป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิดีกว่าอย่าไปออกไปทางอุปจารสมาธิเพราะถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาจิตจะไม่มีกําลังไปเจริญนิพพานาไม่มีกําลังที่จะไปเจริญไตยลักษณ์อสุภะเจริญขันห้าต้นต้นพิจารณาไตยลักษณ์พิจารณาอัุภะนี่ จำเป็นจะต้องมีอัปปนาสมาธิถึงจะสามารถมีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาได้ถ้าไปทางอุปจารสมาธิเวลาออกออกจากสมาธิานี้ไม่มีกําลังไม่มีอุบเบกขาพอออกมาก็จะถูกกิเลสดุ้มเล้า ท, าทันทีให้คิดไปในทางโลภโกรธหลง ท, งทันทีต่างกับผู้ที่มีอุปจารสมาอัปปนาสมาธิ เวลาออกจากอัปนาสมาธิมานี้จิตจะไม่อุเบกขาติดมาด้วยจะไม่ค่อยคิดไปทางความรักทางกลัวหลงไม่คิดไปทางความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงใจอย่างใดก็สามารถเอาจิตที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนี้มาพิจารณาความจริงได้พิจารณาร่างกายได้พิจารณาเวทนาได้พิจารณาจิตได้ ให้เห็นว่าเป็นใจลักเพื่อที่จะได้ปล่อยวางได้อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะรู้ไวถ้ถ้าเผื่อ้อาเผื่อมีสุปจรัสมาธิอย่าไปหลงดีใจมันเป็นมันเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกขลาภมัน สามารถช่วยเราหาเงินหาทองได้ไปเป็นหมอดูได้ไปทำนายทายทักอะไรต่างๆได้แต่มันจะทำให้เราติดรายได้ที่เราหามาแล้วเราจะไม่สนใจของการที่จะไปตัดกิเวสฆ่าความโลภความอยากต่างๆเพราะเราจะเอาเงินที่เราได้มารับใช้ความโลภความอยากอยากได้นั่นก็มีเงินซื้ออยากได้นี่ก็มีเงินซื้อนั่นอย่าอย่าอย่าไปหลงกับอภิญญาต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นของวิเศษแต่มันก็่ากิเลส ไ, ได้มันจะกลายเป็นธาตุของกิเลสเป็นผู้รับใช้กิเลสไปเหมือนถ้าเราเกิดนั่งสมาธิแล้วจิตสงบปับ๊บแล้วก็ออกไปทางอุปจารสมาธิท่านบอกให้ดึงกลับเข้ามาให้ดึงกลับเข้ามาที่อัปปนาสมาธิให้สักแต่ว่ารู้ให้นิ่งเฉยๆอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ที่ปรากฏนิดๆ ต, ต่างๆ เส่นกายทิพย์บ้างหรือระลึกชาติได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้จะทำให้ไม่มีการ เ, าเสริมกำลังให้กับจิตคือเสริมอุเบกขานี้ให้กับจิตใจพ อ, อจากสมาธิแบบอุปจาระแล้วจะไม่มีกำลังเปรียบเทียบเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันกับคนที่นอนหลับแล้วไม่ฝันคนนอนหลับที่ไม่ฝันไม่เวลาเตือนีึ้มาจะสดชื่นจะมีกำลัง แต่คนที่นอนหลับแล้วฝันนี้บางทีเหนือ่อยออกตื่นขึ้นมาแล้วเหนือ่อยเพราะว่าจิตไม่ได้พักผ่อนนั่นเองอุปจารสมาธินี้จิตต้องทํางานแต่อัปปนาสมาธินี้จิตไม่ต้องทํางานจิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงที่จะได้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปได้สําหรับแม่ชีแก้วนี่ก็เดิมพยายาม หลวงตาบอกยังไงก็ยังดื้ออยู่นั่นจนในที่สุดหลวงตาก็ต้องอต้องให้ทำอะไรทำสั่งสุดท้ายว่าถ้ายังไปเล่นกับช่วงนี้อยู่ก็อย่ามาศึกษากับเราสอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆสอนไปก็เอาไปทําประโยชน์ไม่ได้นั่นแหละไม่ชี่จกถึงเลิกเลิกไปเล่นกับอุปจารสมาธิ แล้วหันมาเดินจิตใ ห, ให้เข้าอยู่ในอัปปนาสมาธิพอจิตได้อยู่อัปปนาสมาธิพอออกมาก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ําลมไฟร่างกายทํามาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มาทางอาหารนี่ อาหารก็เป็นธาตุดินส่วนใหญ่ข้าวที่เรากินนี่ก็เป็นธาตุดินผักที่เรากินก็เป็นธาตุดินเนื้อสัตว์ก็เป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ำก็มาทางน้ำที่เราเดื่มธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้ามาธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์พอมันมาผสมกันก็เลยกลายเป็นอาการ32ขึ้นมาทำให้เรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นต่างๆ แล้วก็ทำให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาจากทารกมากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปพอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังมันก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยพออายุพ้นห้าสิบไปแล้วนี่ก็จะเริ่มแก่ลงไปหนังก็เริ่มเหี่ยวผมก็เริ่มหลอกอวัยวะต่างๆก็เริ่มชารุดทุดโจร เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นโลกนั้นโลกนี้ขึ้นมารักษากันไปรักษากันมาแล้วในที่สุดก็ถึงวาลาสุดท้ายคือหยุดทำงานอวัยวะเช่นปอดหัวใจไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถหายใจเข้าออกได้พอไม่หายใจเข้าออกก็ไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงร่างกายต่อไปร่างกายก็สู่จุดจบ นั้ก็ไม่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆธาตุที่เข้ามารวมกันในร่างกายก็จะค่อยแยกออกจากกันไปธาตุแรกก็คือลมนี่ลมไม่เข้านะพอลมไม่เข้าก็มีแต่ลมออกคือกลิ่นที่ระเหยออกมานี่ก็เป็นลมธาตุลมตามด้วยธาตุไฟธาตุไฟนี่ก็ทำให้ร่างกายที่อบอุ่นนี้กลายเป็นเย็นขึ้นมาหลังจากนั้นธาตุน้าก็จะไหลออกมาจากร่างกาย จนใ น, นที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบมีหนังแห้งมีกระดูกแห้ง อ, ว, อวัยวะต่างๆแห้งไปหมดทิ้งไปนานๆเข้าก็กลายเป็นฝุ่นไปกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาร่างกายพิจารณาอนิจจังไม่เที่ยงพิจารณาอนัตตาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนนถยนต์ทันหนึ่งที่มีส่วนประกอบต่างๆ แต่คนขับรถยนต์นี้ไม่ใช่รถยนต์คนที่มาใช้ร่างกายคือจิตนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่โมหะความหลงนี้จะทำให้จิตที่ว่าตนนี้เป็นร่างกายอันนี้พิจารณให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็นจิตไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือผู้รู้ผู้คิดนี้คือจิตนี้ไม่ได้เป็นร่างกายสอนจิตให้เข้าใจเพื่อจิตจะได้ไม่กลัวไม่กลัวความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ไม่กลัวร่างกายจะตายก็ไม่กลัวถ้าจิตดูด้วยปัญญาว่าจิตไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราเห็นคนหนึ่งเขาเป็นอะไรเราไม่กลัวเลยใช่ไหมเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาอ่ะใช่ไหมคนหนึ่งเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเขาจะเป็นอะไรนี่เราก็ดูเฉยๆเห็นไปเฉยๆอย่างมากก็สมเพศเวทนาเท่นั้นเองแต่เราจะไม่กลัวเราจะไม่ทุกข์จับการเป็นการตายของคนอื่น กันดายร่างกายเรานี้ก็เหมือนร่างกายของคุณเองถ้าเราได้มีการพิจารณาทางปัญญาแล้วต่อไปเราจะเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่มาใช้ร่างกายครอบครองร่างกายเราเป็นนายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้คือความจริงที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นชัดได้ ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเราจะสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลาพิจารณาพ่นานพอสมควรแล้วหลายรอบด้วยกันจะในที่สุดจะเห็นชัดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราผู้เราคือผู้รู้ผู้กินฮิตเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายนี้รับใช้ตามความอยากของเราทนั้นเองเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากนมกลิ่นเราก็ต้องอาศัยร่างกาย ถ้าเราไปดูไปฟังไปริมรถไปลมกลิ่นอะไรต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีร่างกายเราก็ตัดความอยากตรงนี้ไปตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆถ้าเราตัดความอยากนี้ได้เพราะเห็นโทษว่าจำเป็นจะต้องมีร่างกายแล้วพอมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายถ้าไม่อยากจะมีทุก์กับร่างกายก็อย่าไปเสพลูกเสียงกลิ่นรส มาเสพความสุขจากการทำใจให้สบงบแทนดีกว่าเราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อมาหาความสุขทางใจหาความสงบพอเรามีความสุขจากความสงบล้วก็หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายจะเป็นอะไร ร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เหมือนแล้วเหมือนถ้าเราไม่ต้องเดินทางไปไหนรถยนต์ที่เรามีไว้ก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปก็จอดทิ้งไว้เฉยๆถ้าเราไม่ไปไหนแล้วแต่ถ้าเรายังต้องไปไหนมาไหนอยู่รถยนต์ก็มีความสำคัญขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกับร่างกายถ้าเรายังมีความอยากาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เราก็ยังจะต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกขกับร่างกาย <c oughs> แต่อย่างน้อยถ้าเรามีปัญญา <c oughs> เราก็จะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา <c oughs> มันอาจจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไป <c oughs> รู้เฉยๆ <c oughs> จากแต่วรู้เท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกขกับร่างกายได้ <c oughs> นี่คือการเจริญปัญญาขั้นแรกต้องพิจารณาปล่อยวางร่างกายให้ได้ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปย้อมผมให้มันเหนื่อยเลยอย่าไปคอยฉีดนู่นฉีดนี่ให้มันแต่งให้มันตึงเลยอย่าไปเสริมที่นั่นเสริมที่นี่เดี๋ยวทำไมเสริมมันก็หย่อนลงมาอยู่ดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็หย่อนมันต้องหิวไปเรื่อยๆืเหมือนดอกไม้เใช่ไหมดอกไม้มันบานแล้วเราจะไปทําให้มันบานไปตลอดไม่ได้หรอก เอามาเสียบใจกันไว้ไม่กี่วันมันก็กลายเป็นอของเก่าไปแล้วไม่สวยงามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนนีิจังเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปอาศัยมันอย่าไปใช้มันดีกว่ามาเอาจิตมาสร้างความสุขภายในจิตใจดีกว่าหาความสุขจากความสงบหาความสุขจากการปล่อยวางดีกว่าเพราะถ้าปล่อยวางได้เราจะดับความทุกข์ต่างๆได้ พอเราปล่อยวางร่างกายของเราได้เราจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรนี้จะไม่ค่อยหวาดกลัวจะมีกินแล้วไม่มีกินก็ก็ไม่หวาดกลัวมีก็กินไม่มีก็ไม่กินอดอยู่ได้ก็อยู่ตายก็ตายเพราะรู้ว่ายังไงในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดี <c oughs> แต่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อนอัน <c oughs> นี้คือการเจริญปัญญาขั้นแรกต้องพิจารณาร่างกาย พิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจังพิจารณาอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราส<ม>ำหรับร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นเหมือนกันพิจารณาได้หมดทั้งของเขาและของเราแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาอีกส่วนนึงของร่างกายก็คือส่วนที่ไม่สวยงามเพราะว่าเรามักจะไปติดกับความสวยงามของร่างกายทั้งของเราและของคนอื่ น, นคนอื่นเขาสวยงามก็อยากจะได้ก็มาเป็นแฟนๆๆพอไม่ได้เขาก็เสียใจ พอได้มาก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องมาทุกข์ต้องมากังวลกับเขาหาหาความสุขไม่ค่อยได้ความสุขได้จากการมีแฟนเพียงนิดเดียวนั่นเองแล้วก็มาเจอกับความทุกข์ต่างๆฉะนั้นถ้าจะตัดการมีแฟนได้ตัดการที่เราจะต้องไปร่วมหลับนอนกับเขาได้เราก็ต้องมาพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเรียกว่ารากศพากศพนี้ถ้าเราเห็นคนร่างกายที่เป็นสวยๆงามๆนี้ เป็นซากสบเมื่อไหร่นี้ความรักใข้นี้จะหายไปทันทีเพราะรู้ว่าเขาจะต้องเป็นซากศพหรือว่าถ้ามองเข้าไปข้างในดูอวัยวะต่างๆก็ได้ อ, อวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเยต้องใช้ตาปัญญาเนื้อถึงอาการที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกโครงกระดูกนีปอดตับไตลำไส้ ต่างๆหัวใจสมองอาการเหล่านี้ไม่สวยงามเลยถ้าเรามองเข้าไปข้างในในเวลาที่เราต้องเกิดความรักเกิดความไข้ขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะหยุดความรักทวามไข้นี้เราต้องมองความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้ได้ถ้ามองเห็นเราจะหายรักหายไข่ทันทีเราจะทําให้สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวิไปอย่างไร เราก็จะไม่ต้องมาทุกกับร่างกายติดต่อไปทั้งของเราเองและทั้งของคนอื่นถ้าเรามีการพิจารณาปัญญาอย่างเนืองเนืองพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามส่วนที่สวยก็มีแต่ส่วนที่ไม่สวยก็มี พอไปมองในส่วนที่ไม่สวยความรักไข่ความกำหนับยินดีก็จะถูกระงับไปเราสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงารือว่าเหว่แต่ได้ความว่าเหวความเหงานี้เกิดจากการอยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้เพราะอยู่กับเขาแล้วมีความรู้สึกมีความสุขนั่นเองแต่ถ้าพอไปนึกถึงส่วนที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามของเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่ก็ได้ ถ้าไปอยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวเขาขี้บ่นเขาด่านู่นดานี่อยู่ใกล้ๆกันบางทีก็ไม่สวยสวยงามยังไงหล่อเหลายัางไงถ้าปากไม่ดีบางทีก็อยู่ไม่ได้นเต้องลองคิดดูถ้าไปเจอคนขี้บ่นขี้จู้ขี้จุกจิกนี่บางทีก็อาจจะไม่อยากจะอยู่ด้วยก็ได้ต้องพยายามมองในส่วนที่ไม่ดีของร่างกายเพื่อที่จะตัดความลัดความใคลายความกําหนัดยินดีแล้วเราต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมา เกิดมีร่างกายต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขแล้วเพราะเราเห็นโทษของการมีร่างกายว่ามันทุกข์มากกว่าสุขนี่อันนี้ก็คือการเจริญปัญญาเพื่อให้ได้อริยทรัพย์ขั้นที่หนึ่งสองสามนี่จะเกิดจากการเจริญพิจารณาทางกายเวทนาร่างกายกับเวทนาร่างกายไม่สวยไม่งามร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เทีเยเ่ยง แล้วก็เวทนาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปเวลาเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่อยากเจ็บก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันหายเองถึงเวลามันก็หายเองมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป น, นี่ก็คือการเจริญปัญญาเพื่อสร้างอริยสัพพะขั้นที่หนึ่งสองสามคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีและขั้นอนาคามีส่วนขั้นที่สี่อริยสัพพะขั้นที่สขั้นที่สมบูรณ์เต็มร้อยนี้ต้องพิจารณาจิตที่สภาพจิตที่มีที่อยู่ในจิตเจอจิตยังเปยความรักความชอบอะไรอยู่บ้าง ยังรักชอบความสงบะยังชอบรูปประชา น, นะรูปประชานพอถึงขั้นนี้ก็ต้องตัดกันเพอะถึงแม้ว่าจะให้ความสุขมันก็ให้ความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาไม่ได้รูปประชานมันก็จะทุกข์ไดถ้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพรูปประชานไม่ต้องไปเสพประรูปประชานได้พอเลิกเสพได้ก็ไม่ทุกข์แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสพชาน แล้วก็ให้ปล่อยวางอัตราตัวตนในจิตจิตก็ยังที่ว่าเป็นเป็นนั่นเป็นนี่สูงกับเขาบ้างเท่าขเขาบ้างต่ำกับเขาบ้างอันนี้ก็ต้องมองไม่เห็นว่าเป็นจิตเหมือนกันจิตแถาจิตเรานี่เท่ากันไม่มีสูงกว่ากันไม่มีต่ำกว่ากันแล้วก็พิจารณาความทุกข์ที่เหลืออยู่ที่เกิดจากความอยากที่ยังมองไม่เห็นเรียกว่าอวิชชา เราพิจารณเหล่านี้เห็นแล้วปล่อยวางได้หมดทีนี้ก็ได้ทรัพย์ท่านที่สี่คือท่านอาหารหัตทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นทรัพย์ที่เต็มร้อยเป็นทรัพย์ที่ให้ความสุขเต็มร้อยที่เรียกว่านิพพานนิบานังปรามังสุขขังความสุขสมบูรณ์ตลอดเวลา คือพานิภานพระนิธานก็คือจิตที่ได้โลกกตระทรัพย์ขั้นสูงสุดนี่นเองคือท่านอรหัตตอรหัตตทรัพย์นี่เองที่เกิดจากการที่เราจเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ในกายเวทนาและจิตนี่เองนี่คือวิธีการที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในให้แกบพวกเรา เพื่อเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เพราะถึงแม้ว่าจะมาเกิดดีก็ตามแต่ก็ยังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าไม่ต้องการที่จะมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เจ็บตายก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นการที่จะไม่มาเกิดก็สร้างสร้างโลกุตระทรัพ์ขั้นที่สี่ สร้างโลกุตระรัพ์ให้สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่ท่านกำลังปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ขอให้ทำกันต่อไปอย่าหยุดอย่าย่อนอย่าถอยแล้ววันหนึ่งจะได้ได้ถึงขั้นสูงสุดนี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรติตาคัลังอิวะเมวะอิโตทินังเตตันังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังจิตเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรตูสังกปาดันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพะโรโคนิสตุมาตตภาวตวันตาวยุสุขีทิขายุโกภวาอพิวัธนสีลิะนิจังวุธาปัจจายโนจตารูธรรมาวันฐิอายุันุสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่สะดวกวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่กรับนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทาง Facebook 429ย t u b บ178 วิทยุออนไลน์8ครับเฮาส์14ผู้รับฟังหน้ากุฏิ174รวม803ท่านเจ้าค่ะควันนี้ขับเฮามีไหมใครอยากจะถามไนะับเฮาถ้าคับเา้าก่อนถ้ามีใครอยากจะถามทางครับเฮา ก, ก็ถามไนดะ้ตอนนี้ยังไม่มียกมือใครอยู่ในครับเฮาตอนนี้ถ้าอยากจะถามก็เชิญถามได้นะ ยกมือขึ้นมาแล้วกดเปิดไมค์ mm hmm. จะทดลองดูว่าใช้ได้ป่ะเสียงราบอกเสียง่ยงะค่ะเอ่ออยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าการบริจาคเคื่อได้บุญแล้การบริจาคสื้ น, รรนผมได้บุญของเราค่ะก็ได้ก็เป็น อ, อวัยวะของเรา เชื่อนคนนี้เขานิยมไว้ผม ย, วยาวเพื่อบอยยากให้คนนี้ก็เป็นโรคมะเร็งเข้าไปสวมเลยด้วยกัก็ถือว่าเป็นการได้บุญอย่างห น, นึ่งเพราะผมก็เป็นอวัยวะของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราบรอยา ก, ากทรัพย์สมบัติไปเราก็ได้บุญ <c oughs> แต่บุญมากน้อยต่างกันก็ได้นะเพราะว่า ผมนี่ส่วนใหญ่เราจะตัดทิ้งไปอยู่นะเพงของเะไรไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ถ้าจะเปรียบเทียบกับเลือดเลือดนี่มีคุณค่ามากกว่าก็เหมือนกับทําบุญร้อยบาทกับทําบุญพันบาทนะผลบุญมันก็ต่างกันโดยจากเลือดกับโดยจากผมมันก็ต่างกันเพราะเลือดนี่มันมีคุณค่ากับเรามากกว่าผมได้ินได้ยินได้ยินคำตอบไหย อ๋อไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ยินค่ะอาจารย์เลยจัดทางทางเฟซบุ๊กยูทูได้ยินครับแต่ตอนนี้ทางทางกระทําไม่ได้ยินครับคือเสีงเสียง เ, เข้าไปแต่เบามากอ๋อก็ตอนตอนนี้มันไม่สามารถที่จะพูดให้มันดังกว่านี้ได้เดี๋ยวจะลองตอบใหม่ทีแล้วกันนะลองฟังดูนะอะการบริจาคผมก็ได้บุญเหมือนกับบริจาคเลือดเพียงแต่ว่า บุญอาจจะต่างกันเพราะเลือดนี้มีคุณค่ามากกว่าผมอันเวลาเราบริจาคเลือดนี้เรารู้สึกว่าเราเสียมากกว่าเราเสียผมเพราะผมนี่ยังไงเราก็จะตัดทิ้งไปอยู่แล้วเหมือนเกืบอบเกิดจะท้าจะไม่ได้บุญก็ว่าได้เพราะว่าเราต้องตัดทิ้งอยู่แล้วแต่เลือดนี้เราทิ้งไม่ได้เลือดเราต้องมีเก็บไว้การบริจาคเลือดนี้จะได้บุญมากกว่าการบริจาคผม ได้ยินไหมไม่ได้ยินครับโอเคนะค ม, มีมีไหมมีคำถามอีไหมมีคำถามไหมครับค่ะไม่มีล้ค่ะขอบ ค, ค, คุณคมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนะะครับตัดตัดแล้วตัไปแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีติดต่ออีกรูปแบบ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกคลับเฮามีแต่เสียงอย่างเดียวลองลองเข้าไปโหลดดูก็ได้แต่ต้องเป็นเครื่อง Apple อย่างเดียวของ i ไอโฟนตอนนี้ Android กเขายังไม่มีเราก็สามารถติดตามได้ตอนนี้มีคนติดตามถึงหลกร้อยหกว่าใช่ไหมครับ้ยห้บกว่าก็สามารถเข้ามาได้เผื่อไม่อยากจะดูภาพไม่ไม่ต้องเข้า Facebook ไม่ต้องเข้า YouTube ก็เข้าคลับเฮาก็ได้ ฟังเสียงขับรถไปก็เปิดฟังได้เดินไปทำอะไรก็เปิดฟังได้แต่ถ้าดูผ้มามนะันอาจะต้องนั่งอยู่เฉยมันก็แล้วแต่ความความต้องการอย่างี้คําถามต่อไปก็แล้วกันคำถามฝากถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะ พระมาบินทบาร์ผ่านหน้าบ้านทุกเช้าบาปไหมคะที่เราไม่ได้ใส่บาตรเพราะไม่สะดวกแต่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบให้ทานรักษาศีลห้าชอบอ่านหนังสือธรรมะเพราะอ่านแล้วสบายใจไม่ไบาปไม่ได้บุญนั่นเองการใส่บาตรก็คือเป็นการทำบุญพอไม่ได้ใส่าบาตรก็ไม่ได้ทำบุญนั่นเองไม่ได้ทำบาปไม่ได้ไปตีหัวพระแล้วกันเรือปล่อยมา้าปล่อยม้าไม่ให้กั <c oughs> อจากท่านเดียวกันเจ้าค่ะได้อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ทำให้มีกําลังใจในการปฏิบัติอย่างมากจะขอปฏิบัติภาวนาต่อไปเพื่อความก้าวหน้าถวายบูชาแด่พระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุคำถามฝากถามจากน้ากุฏิเจ้าค่ะ เพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคือการปฏิบัติให้อยู่ปัจจุบันคือเป็นการฝึกสติสติก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการควบคุมความคิดถ้าเราให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันต้องคิดอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นนั้นก็จะมีสติคอยควบคุมไม่ให้จิตไปอดีตไม่ให้ไปอนาคต พร้วความจริงแล้วอดีกอาาตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีมีแต่ปัจจุบันอดีตเราก็คิดถึงมันไปอนาคตเราก็คิดถึงมันมันยังไม่มาดังนั้นทั้งหมดนี้สิ่งความจริงมันมีแค่ปัจจุบันทำบุญก็ทำในปัจจุบันทำบาปก็ทำในปัจจุบันรับผลบุญผลบาปก็รับผลในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราอยู่ในปัจจุบันจิตเราก็จะอยู่ในสภาพในฐานะที่จะรับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ดีที่สุด ถามฝากถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะมีความเบื่อในการภาวนาควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ ก็คิดถึงเวลาไม่ภาวนาสิเวลาไม่ภาวนาได้อะไรเวลาภาวนาได้อะไรเปรียบเทียบเหมือนกับเบื่อกินข้าวกับเวลาไม่กินข้าวก็กินข้าวอันไหนจะดีกว่ากันพราะรู้ว่ายังไม่กินแล้วเดี๋ยวหิวก็กินดีกว่าถึงแม้จะเบื่อก็ต้องบังคับให้มันกินภาวนาก็เป็นการให้อาหารใจถึงแม้ว่าจะเบื่อก็ต้องให้มันถึงเวลาก็ทํามันไปดีกว่าไม่ทําเพราะทําแล้วมันจะช่วยทําให้ใจเราเย็นลงถ้าเราไม่ทํำ ใจเราจะร้อนขึ้น mm. จะหิวโหยขึ้นมามีการราคะมากจะทำอย่างไรดีเพราะยังไม่สามารถพิจารณาอสุภะคนที่ชอบหรือสนใจได้ค่ะถ้าท่องอาการ32ไปก่อนก็แล้วผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกปฏิอนุโลมกับปฏิโลมท่องไปข้างหน้าแล้วก็ท่องถอยหลังกลับมาเอาภาษาไทยนี่แหละถ้าภาษาบาลีฟังแล้วไม่เข้าใจก็าคาแปลดีกว่า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 แล้วต่อไปก็นึกภาพมันขึ้นมาได้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อเอ็นกระดูกเป็นยังไงปอดตับไตเป็นยังไงถ้าไม่รู้ก็ไปเปิดหนังสือดูได้หนังสือนักศึกษาแพทย์เนี่ยหนังสืออณามตอมีเนี่ยเขาก็ยังมีภาพวาดให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ก็ทําอย่างนี้ไปไม่ต้องไปดูภาพถ่ายที่แบบน่ากลัวหรอกแบบศพหรือผา่าศพเอามาดูแล้วกลัวก็อย่าเพิ่งไปดูแบบนั้นเอาดูแบบภาพวาดก่อนก็ได้ภาพวาดที่สอนนักศึกษาแพทย์ยให้เห็น อ, อวายว่าต่างๆภายในร่างกายในระดับพระโสดาบันท่านไม่มีความกลัวแก่เจ็บตายแล้ว แล้วท่านยังกลัวพิการเพราะจะต้องเป็นภาระกับผู้อื่นหรือไม่เจ้าคะไม่กลัวแล้วล่ะท่านก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านล่ะพิการก็พิการใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่เลี้ยงก็เดี๋ยวมันก็ตายของมันเองท่านก็มีท่านก็มีคำตอบอยู่ในตัวอนี้ท่านไม่กลัวอะไรเกี่ยวกับร่างกายความเป็นความตายของร่างกายท่านท่านไม่ไม่เดือดร้อนมันจะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวมันก็ตายไป คำถามจากทาง y u t u b e เจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมีสองคำถามเจ้าค่ะข้อ1ถ้าตายในสมาธิแต่ยังไม่ได้พระโสดาบันจะไปเป็นพรหมชั้นที่ไม่สามารถฟังธรรมได้หรือเปล่าเจ้าคะถูกต้องก็เข้าไปใน ร, รูปประพรหมหรืออรูปประพรหมตรงนี้ก็เหมือนคนเข้าสมาธิก็จะไม่ได้ฟังธรรมนะถ้ามานั่งนี้แล้วเข้าสมาธิไปก็จะไม่ได้ยินเสียงธรรมที่เราพูดกันอยู่ ต้องออกจากสมาธิมาถึงจะพังได้ข้อสองถ้าเคยเจริญปัญญามาบ้างในสมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อตายไปจะสามารถเดินปัญญาเองได้บ้างไหมคะหรือต้องอยู่ในสมาธิได้อย่างเดียวอ๋อปัญญาถ้าเราเจริญ ก็เราก็ติดตัวไปได้แต่จะได้มากได้น้อยก็อ <c> ย <oughs> ู่ที่เราเจริญมากก็เจริญน้อยแล้วโอกาสที่มันจะลืมก็มากน้อยต่างกันด้วยถ้าเจริญน้อยโอกาสที่จะลืมมันก็มากถ้าเจริญมากโอกาสที่จะลืมมันก็จะน้อยมันก็อยู่ที่ปริมาณของการเจริญของเรา <c oughs> คำถามจากทาง facebook เจ้าค่ะจากคุณโกจา กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการฝึกจิตกับฝึกสมาธิต่างกันอย่างไรไม่ต่างหรอกสมาธิก็เกินเป็นการฝึกให้จิตคําว่าสมาธิก็คือความสงบของจิตการฝึกจิตฝึกสมาธิก็ความหมายก็อันเดียวกันคือการฝึกให้จิตงเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบคือความสุขที่แท้จริงเหนือกว่าความสุขทั้งปวงคําถามจากคุณปรางซาเจ้าค่ะ สามารถนําน้ำกัญชาที่ซื้อจากโรงพยาบาลศูนย์สมุนไพรไปใส่บาตหรือถวายพระได้หรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าถวายในรูปแบบไห น, นว่ามันเป็นยาเสพติดหรือว่าถวายเป็นแบบยารักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันเป็นยาเฉพาะทางควรจะถวายเฉพาะคนที่ต้องใช้จริงๆอย่าไปถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพลาด <c oughs> เนลาท่านเครียดก็ดืมกัญชา้งหน่อยเดี๋ยวก็ติดกัญชาติดยาคำถามจากคุณสกาวเดือนเจ้าค่ะจะทำอย่างไรที่จะรักษาสภาวะจิตไม่ให้ตกต่ำได้เจ้าคะก็ต้องมันเจริญสติมันปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ เ, เราได้ระดับไหนแล้วถ้าเราหยุดปฏิบัติมันก็จะเสื่อมได้ นอกจากระดับปัญญาเท่านั้นที่มันจะไม่เสื่อมระดับสติกับสมาธินี่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ปฏิบัติต่ตอมันก็เสื่อมได้คําถามจากคุณพันธสวัสดิ์เจ้าค่ะการปล่อยเงินกู้ถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่หรอกก็เป็นเป็นการเหมือนธนาคารธนาคารก็ปล่อยเงินกู้อยู่ที่ว่าจะโหดหรือไม่โหดเท่านั้นเองถ้าคิดดอกแพงก็โหดะถ้าคิดดอกน้อยก็ไม่โหด คำถามจากคุณประเสริฐเจ้าค่ะการจเจริญอาณาปานาสติภาวนาพุทโธแต่จิตไม่นิ่งผมควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับเพราะสติไม่ดีไงก็ถ้าไม่นิ่งลองท่องพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้หรือสวดมนต์ไปก่อนเพราะจิตเราอาจจะยังฟุ้งอยู่เลยดูลมแล้วมันไม่นิ่งก็ลองสวดอิติปิโสไปสักร้อยจบก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูโยมใหม่อีกทีค่ะำ <c oughs> ถามจากคุณประหยัดเจ้าค่ะ <c oughs> พระมาบิณฑบาต ท, ที่หน้าบ้านบางวันก็มาบางวันท่านก็ติดธุระผมจะเอาเบอร์โทรให้ท่านและให้ท่านโทรแจ้งว่าจะมาบิณฑบาตได้หรือไม่ผมผิดศีลหรือไม่ครับอ๋อไม่หรอกก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะใส่กับท่านแล้วเราอยากจะรู้ว่าท่านจะมาหรือไม่มาก็ลองถามคุยกับท่านได้ของอย่างนี้สมัยนี้มันก็มีเครื่องสื่อสารที่จะบอกกันได้ คำถามจากคุณอุ๋ยเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทำงานข้าราชการหรือการมีลูกถ้าลาออกไปบวชเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทำอย่างไรที่จะให้ศรัทธาไม่สั่นคลอนเจ้าค่ะก็ไปบวชแบบชั่วคราวหรือ บ, บวชแบบถาวรเนี ถาบวชแบบถาวรก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการอยู่นี่เป็นการอยู่ในกองทุกข์กองไฟการไปบวชนี้เหมือนออกจากกองทุกข์กองไฟคําถามจากคุณปฐมพงศ์เจ้าค่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่สะดวกไปกวาดลานวาัดเราจ้างให้คนไปกวาดจะได้บุญเท่ากันไหมครับไ ด, ได้เท่ากัน <c oughs> คำถามจากคุณชิตชัยเจ้าคะ่ะผมไปตลาดกับเพื่อนเพื่อนสั่งปลาสดให้เขาค่าให้ผมแล้วผมจะเป็นบาปหรือเปล่าครับถ้าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่บาปคือ <c oughs> เราไม่ได้กระซิบบอกเพื่อนให้มึงช่วยสั่งให้กูหน่อ <c> ย <oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่สั่งทางอ้อมหรือสั่งทางอ้อมหรือสั่งทางต๊ะก็ยังบาปอยู่เราต้องไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเ <c oughs> พื่อนเขาเขาอยากจะให้เราได้กินเนื้อปลาเขารู้ว่าเราไม่เราไม่ <c oughs> เราไม่สั่งให้เขาทําเขาก็เลยอาสาสมัครทําให้เขาทําเองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขาคําถามจากคุณสุรศักดิ์เจ้าค่ะใส่บาทด้วยเงินผิดไหมครับคือพระนี้รับเงินทองกับมือกับบาทไม่ได้เวลาจะถวายเงินทองต้องถวายผ่านลูกศิษย์มีลูกศิษย์เดินมาก็ฝากผ่านลูกศิษย์แต่ว่าขอถวายเงินนี้ให้ช่วยเก็บให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพี่หน่อยคําถามจาก ประเทศลาวเจ้าค่ะ การหลอกตัวเองด้วยการอยากเป็นพระโสดาบันการอยากเป็นเทพคือการตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็พยายามทําให้ถึงจุดหมายที่จะเป็นพระโสดาบันและปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงที่สุดที่เป็นพระโสดาบันและเลื่อนไปเป็นขั้นๆอันนี้เป็นการคิดที่ผิดไหมคะพระอาจารย์อ๋อไม่ผิดละเป็นอธิษฐานคําว่า อ, อธิษฐานก็คือการตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราจะทําอะไร เพื่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเหมวันนี้จะมาวัดก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาวัดพอ ถ, ถึงเวลาเราก็ออกเดินทางมาเราก็มาถึงวัดได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้วันนี้เพื่อนอาจจะมาชวนไปที่อื่นก็ได้คําถามจาคุณมีชัยเจ้าค่ะ <c oughs> ผมทำสมาธิตามที่พระอาจารย์สอนผมสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีเสียงอะไรมาก็ไม่ลำคาญยิ้มไม่ออกในขณะนั้นแต่มีความสุขมากๆแต่ทำไมเป็นไม่นานครับแค่สองนาทีตราตึงในหัวใจผมอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะอะไรครับนิกะสมาธิสงบได้เชื่อมูลแลบลิ้นฟ้าแลบคือสติมีกำลังน้อยมีกาลังพอที่จะหยุดให้มัน คิดได้ชั่วคราวแล้วพอปั๊บหมดกำลังจิตก็เริ่มคิดใหม่ต่อไปก็ต้องฝึกสติต่อไปแล้วนั่งบ่อยๆเข้าแต่นั่งขราวหน้าก็อย่าไปอยากให้ได้ความอยากมันจะเป็นตัวทำให้ไม่ได้ต้องลืมมันไปให้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อีกแต่ต้องฝึกสติให้มากขึ้น ต้องฝึกสติก่อนมานั่งพยายามฝึกให้มากขึ้นไปเรื่อยๆฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยแล้วต่อไปจะนั่งสงบได้นานเอาคำถามสุดท้ายแล้วนะหมดเวลาแล้วคำถามจากคุณจาตุรนเจ้าค่ะ ขอความเมตตาครับการภาวนาที่ถูกต้องควรไม่ให้มีอาการของจิตเข้าแทรกหรือมีอาการของจิตเข้าแทรกแล้วแต่ให้กลับมาที่พุทโธครับออไม่ไปสนใจกับอาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กําหนดจิตคือพุทโธเลื่อดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปเอาลนะน้วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่ง ที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ